บทความเรื่องพระคุณแม่รวมบทคัสสรรโดยเศษดินเสิงบรรยายโดยโจโฉ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 ตโตจนมาเป็นคนขึ้นนาดนี้ต้องหมดเปลือเงินทองต้องทุ่มเททั้งกายใจอดทนแค่ในใครทำให้เราได้เท่าเธออยาดเหงื่อและน้ำตากว่าจะได้เป็นตัวตน ไม่เคยได้ทดแทนคุณเลยสักครั้งมีแต่ทำให้วุ่นวายไม่เคยสบายใจสักครั้งวันนั้น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 สอนเพลงแม่เคยกล่อมลูกนั้นจำได้ดีกลาบตักนี้ที่เดิมแม่เคยกล่อมนอนกราบแทนคุณแทนรักกี่หน พัดสรรโดยเศษดินเสียงบรรยายโดยโจโฉติดตามดาวโหลดธรรมะฟรีอีกมากมายได้ที่ j o โฉดอ j o h o n e t ซีดีชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อแจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้นห้ามจำหน่ายจัดทาโดยชมรมธรรมทาน ดำเนินการผลิตโดยหลวงพ่อสมชัยอภิปุญโยและขอขอบคุณทุกทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการผลิตซสดีชุดนี้ขออนุโมทนา